ธาตุถึกะภาหิระนัจักผูธาตุถึกะรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นจักผูธาตุนั้นเป็นไฉนรูปปายยะตนะเกาลินกราหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ช Life. ื่อว่าไม่เป็นจักผูธาตุรูปที่เป็นภายในเป็นจักผูธาตุนั้นเป็นไฉนจักขายะตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าเป็นจักผูธาตุรูปที่เป็นภายในไม่เป็นจักผูธาตุนั้นเป็นไฉน โสตายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นจักขุธาตุผ้าหิรณะโสตธาตุติกาธิติกะรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นโสตธาตุไม่เป็นคานาธาตุไม่เป็นชิวหาธาตุไม่เป็นกายธาตุนั้นเป็นไงรูปายตนะกาวลีกระหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นกายธาตุ รูปที่เป็นภายในเป็นกายธาตุนั้นเป็นไฉนิยกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าเป็นกายธาตุรูปที่เป็นภายในไม่เป็นกายธาตุนั้นเป็นไฉนจากขายาตนะชิวหายญตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นกายธาตุอาชิติกะนารูปธาตุติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นรูปธาตุนั้นเป็นไฉนจากขายาตนะ ปายายตนะรูปท on ี่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นรูปธาตุรูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปธาตุนั้นเป็นไนรูปปายายตนะรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นรูปธาตุรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นรูปธาตุนั้นเป็นไนสัตธายัตนะกาวลีงกราหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นรูปธาตุอาชาติกะเนศทะธาตุติกาทิติกะ รูปที่เป็นภายในไม่เป็นสัทธธาตุไม่เป็นคันธาตุไม่เป็นระธาตุไม่เป็นโผพธพธาตุนั้นเป็นไฉนิจายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นโผพธพธาตุรูปที่เป็นภายนอกเป็นโพธพธาตุนั้นเป็นไฉนิโพธพายตนะรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นโผพธพธาตุ รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นโพธิภพธาตุนั้นเป็นไนรูปายตนะกวโลิงกราหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นโพธภพธาตุทาตุาติกะจอินทริยติกะพาหิระนาจักขุนทริยติกะรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นจักขุนสีนั้นเป็นไนรูปายตนะกวโวลิงกระหาน รูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นจักขุนสีรูปที่เป็นภายในเป็นจักขุนสีนั้นเป็นไนจักสุใดเป็นภาษาธรูปอาศัยมหาภูตรูปสีนี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าเป็นจักขุนสีรูปที่เป็นภายในไม่เป็นจักขุนสีนั้นเป็นไนโสตายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นจักขุนสี ขาฮิระนัโสตินร ر ยะติกาทิติกะรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นโสตินสีไม่เป็นคานินสีไม่เป็นชิวหินสีไม่เป็นกายยินสีนั้นเป็นไฉไรรูปปายยตนะกาวลิงกะราหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นกายยินรีรูปที่เป็นภายในเป็นกายยินสีนั้นเป็นไฉไนกายใดเป็นปัสาะธรูปอาศัยมหาภูธรูปสี นี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างรูปที่เป็นภายในนี <matches tú. S 1> ้ชื่อว่าเป็นกายยินสีรูปที่เป็นภายในไม่เป็นกายยินสีนั้นเป็นไฉหนจากขายาตนะชิวหายาตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นกายยินสีอชาตเถกกะณอิถินทริยะเถกกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นอิถินสีนั้นเป็นไฉหนจากขายาตนะกายายาตนะ รูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นอิทธินีรูปที่เป็นภายนอกเป็นอิทถินีน voilà ั fi, ้นเป็นไนส่วนทรงหญิงเครื่องหมายประจําเพศหญิงกริยาหญิงอาการหญิงสภาพหญิงภาวะหญิงของสตรีรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นอิทถินีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอิทถินีนั้นเป็นไนรูปายตนะกาวลีนกระหาน รูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นอิทธิ์ศีลอาชาติเดกกะนปุริสินทริยะเิกกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นปุริสินศีนั้นเป็นไฉไรจกขายาตนะกายายาตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นปุริสินศีรูปที่เป็นภายนอกเป็นปุริสินศีนั้นเป็นไฉไรส่วนทรงชายเครื่องหมายประจําเพศชายกิริยาชายอาการชาย สภาพชายภาวะชายของบุรุษรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นปุริสินสีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นปุริสินสีนั้นเป็นไนรูปายตนะเกวเรียงคราหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นปุริสินสีอาเชตเดกะนาชีวิติินทิริยะเดกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นชีวิตินสีนั้นเป็นไนจากขายตนะ กายยตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นชีวิตตินสีรูปที่เป็นภายนอกเป็นชีวิตตินสีนั้นเป็นไนอายุความดำรงอยู่ความเป็นไปกิริยาที่ให้เป็นไปอาการที่สืบเนื่องกันความดำเนินไปความหล่อเลี้ยงชีวิตชีวิตตินสีแห่งสภาวธรรมที่เป็นรูปเหล่านั้นรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นชีวิตินสี รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นชีวิตินทรสีนั้นเป็นไนรูปายตนะเกวรลีงกราหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นชีวิตินทรสีอินชริยติกะจบสุขุมมรูปะติกะอชัตติกะนกายะวิญยติติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นกายวิญัต์นั้นเป็นไนจักขายตนะกายายตนะ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 แลดูอยู่เหลียวดูอยู่คูเข้าอยู่หรือเหยียดออกอยู่รูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นกายวิญญัติรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นกายวิญยัตินั้นเป็นไนรูปปายยตนะกาวลิงกราหาน ร, รูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นกายวิญญัตหาเชตถกะนวจีวิญญัตติถกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นวจีวิญญัตนั้นเป็นไน จากกายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นวจีวิญยัต ร, รูปที่เป็นภายนอกเป็นวจีวิญยัตินั้นเป็นไนการพูดการเปล่งวาจาการเจรจาการกล่าวการเป่าร้องการโฆษณาวาจาวาจีเพศของบุคคลผู้มีจิตเป็นกุศลมีจิตเป็นอกุศลหรือมีจิตเป็นอัพยกฤตนี้เรียกว่าวาจา การแสดงให้รู้ความหมายกิริยาที่แสดงให้รู้ความหมายภาวะที่แสดงให้รู้ความหมายด้วยวาจานั้นรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นวจีวิญญัตรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นวจีวิญยัตินั้นเป็นไนรูปายตนะกาวลิงกราหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นวจีวิญญัติอเชตติกะเอาการสะทาตุถิกะ รูปที่เป็นภายในไม่เป็นอากาศธาตุนั้นเป็นไนจักขายตนะกายายญตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นอากาศธาตุรูปที่เป็นภายนอกเป็นอากาศธาตุนั้นเป็นไนอากาศธรรมชาติที่นับว่าอากาศความว่างเปล่าธรรมชาติที่นับว่าความว่างเปล่าช่องว่างธรรมชาติที่นับว่าช่องว่างซึ่งมหาพุธรูปสี่ถูกต้องไม่ได้ รูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นอากศาศธาตุรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอากศาศธาตุนั้นเป็นไงน like ร, รูปายตนะรวลิงคราหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นอากาศธาตุอชัติกะนะอาโปธาตุทึกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นอาโปธาตุนั้นเป็นไนจากขายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นอาโปธาตุ รูปที่เป็นภายนอกเป็นอาโปธาตุนั้นเป็นไนความเออบาบธรรมชาติที่เอิบอาบความเหนียวธรรมชาติที่เหนียวธรรมชาติเป็นเครื่องเกาะกลุ่มรูปรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นอาโปธาตุรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอาโปธาตุนั้นเป็นไนรูปปายยตนะกาวลิงกราหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นอาโปธาตุ อัชติกะนโร ป, ปัสะลหุตาติกระรูปที่เป็นภายในไม่เป็นลหุตารูปนั้นเป็นไฉไนจักหายตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี im, ้ช네ื่อว่าไม่เป็นลหุตารูปรูปที่เป็นภายนอกเป็นลหุตารูปนั้นเป็นไฉไนความเบาความรวดเร็วความไม่เชื่องช้าความไม่หนักแห่งรูปรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นลหุตารูป รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นละหุตารูปนั้นเป็นไนรูปายตนะกกวเลียงกราหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นละหุตารูปอจชติกะนรูปัสสมุทุตาติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นมุทุตารูปนั้นเป็นไนจากขายจตนะกายายจตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นมุทุตารูป รูปที่เป็นภายนอกเป็นมุทุตารูปนั้นเป็นไนความอ่อนภาวะที่อ่อนความไม่แข็งความไม่กระด้างแห่งรูปรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นมุทุตารูปรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นมุทุตารูปนั้นเป็นไนรูปายตนะกาวลิงกระหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นมุทุตารูปอาชิติกะนรูปัสสะกรรมยตาติกะ รูปท да: ี่เป็นภายในไม่เป็นกรรมมัญตารูปนั้นเป็นไนจากขายัตนะกายายาตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นกรรมมัญตารูปรูปที่เป็นภายนอกเป็นกรรมมัญตารูปนั้นเป็นไนความควรแก่การงานกิริยาที่ควรแก่การงานภาวะที่ควรแก่การงานแห่งรูปรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นกรรมมัญารูป รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นกรรมัญญตารูปนั้นเป็นไนรูปายัตนะกาวลิงกราหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นกรรมัญญาตารูปอชาติติกระนรูปปัสสะอุปจยะติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นอุปจิยะรูปนั้นเป็นไนจากขายัตนะกายาัตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นอุปจิยะรูป รูปที่เป็นภายนอกเป็นอุปัจจะรูปนั้นเป็นไฉไรความแรกเกิดแห่งอายตนะเป็นความเจริญแห่งรูปรูปที่เป็นภายนอกอนี้ชื่อว่าเป็นอุปัจจะรูปรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอุปจจะรูปนั้นเป็นไฉไรรูปายตนะเกาเลงกราหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เปน네็นอุปจจะรูปอาชติกะนรูปัสสะสันติติกะ รูปที่เป็นภายในไม่เป็นสันตติรูปนั้นเป็นไนจากกายยตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นสันตติรูปรูปที่เป็นภายนอกเป็นสันตติรูปนั้นเป็นไนความเจริญแห่งรูปเป็นความสืบต่อแห่งรูปรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นสันตติรูปรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นสันตติรูปนั้นเป็นไงรูปายตนะ กาวลิงกราหาน ร, รูปที่เป็นภายนอกน ah อี darum, ้ชื่อว่าไม่เป็นสันตติรูปอชาติกะเนรูปัสชะชะตาติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นชะตารูปนั้นเป็นไนจากขายัตนะกายายัตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นชะตารูปรูปที่เป็นภายนอกเป็นชะตารูปนั้นเป็นไนความชราความคร่ำค่าความมีฟันหลุด ความมีผมหง อ, อความมีหนังหิวความเสื่อมอายุความงอมแห่งอินทรีย์ของรูปรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นชรตารูปรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นชรตารูปนั้นเป็นไงนรูปายตนะวลิลกราหาน ร, รูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นชรตารูปอิเชติกะนรู ป, ปัสสะอนิจจตาติกะ รูปที่เป็นภายในไม่เป็นอนิจจารูปนั้นเป็นไนจะกายัตะกายายะตารูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นอนิจจารูปรูปที่เป็นภายนอกเป็นอนิจจารูปนั้นเป็นไนความสิ้นไปความเสื่อมไปความแตกความทาลายความไม่เที่ยงความหายไปแห่งรูปรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นอนิจจารูป รูปท evet, ี่เป็นภายนอกไม่เป็นอนิจจารูปนั้นเป็นไโรปายะตนะโกวิลินกะราหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นอนิจจารูปอชัติกะนะกวิลินกะราหาระติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นโกวิลินกะราหานนั้นเป็นไนจักขายะตนะกายะยะตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นโกวิลินกะราหาน โรปที่เป็นภายนอกเป็นเกาเลิงกราหารนั้นเป็นไนเข้าสุก ข, ขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อนมสดนมส้มเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยหรือรูปแม่ื่นมีอยู่ที่พึงกินทางปากขบเคี้ยวกลืนกินอิ่มท้องซึ่งมีโอชาเป็นเหตุให้สัตว์ในสถานที่นั้นๆดำรงชีพอยู่ได้ รูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นเกลิงนการาหานรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นโกลิ่นการาหานนั้นเป็นไฉไรรูปายะตะนะอนิจตารูปรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นโกลิงนการาหานสุขุมมารูปปติกะจบรวมรูปหมดละสามอย่างนี้ปฏิกานิเทศจบ ตุกะนิเทศอุปาทาอุปาทินนัจตุกะรูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปเทือกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือนั้นเป็นชไหนาจากขายาตนะกายญายตนะอิถินสีุริสินสีและชีวิตินสีหรือรูปแม่อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายญตนะคันธายาตนะรษ า, ายญตนะอากาศธาตุอุปเยรูปสันติรูป และกวรวิลงกราหานที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือรูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กรัมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือนั้นเป็นไฉไหนสัทธายตนะกายวินยัตวจีวินยัตและหุตารูปมุทุตารูปกรรมญญตารูปชรตารูปและอนิจจตารูป หรือรูปแม่อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันทายตนะรัายตนะอากาศธาตุอุปจยารูปสันตติรูปและเกวรินกราหารที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือนั้นเป็นชน โพธพายตนะและอาโปธาเที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาในทิฏฐิยึดถือรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปเที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือนั้นเป็นไนโพธพายตนะและอาโปธาเที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่า กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถืออุปาทาอุปาทินุปาธานิยจตุกะรูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานนั้นเป็นไฉไหนจกขุยตนะกายายตนะอิถิสีปุริสินสและชีวิตินสีหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะ คันธายตนะระสายตนะอากาศธาตุอุปจยะรูปสันตติรูปและโกวิลิกราหานที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานรูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานนั้นเป็นไน ทัยาตนาะกายวิญญัติวจีวิญญัติละหุตารูปมุทุตารูปกรรมญญตารูปชรตารูปและอนิจจตารูปหรือรูปแม่อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนาะคันธายตนะรารสายตนาะอากาศธาตุปุปจะยะรูปสันตติรูปและเกวริงกราหารที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่า กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กรรมอนันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานนั้นเป็นไฉนโพธภายตนะและอาโปธาเที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน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 รูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กระทบได้นั้นเป็นไนจกคลายตนะรสายตนะรูปที่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปที่กระทบได้รูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กระทบไม่ได้นั้นเป็นไนกิทินสีก nah, ัวลีงกราหานรูปที่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปที่กระทบไม่ได้ รูปที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเป็นรูปที่กระทบได้นั้นเป็นไนโพธภายตนะรูปที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปที่กระทบได้รูปที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเป็นรูปที่กระทบไม่ได้นั้นเป็นไนอาโปธาต์รูปที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปที่กระทบไม่ได้อุปาทาโอลาริกะจตุกะ รูปที่เป็นอุปาทายอรูปเป็นรูปหยาบนั้นเป็นไนจากขา ย, ยัตนะรสายญตนะรูปที่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปหยาบ ร, <vor> <questions> รูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปละเอียดนั้นเป็นไนอิถินจีกวลินกราหานรูปที่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปละเอียดรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปหยาบนั้นเป็นไนโพธพายตนะ รูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปหยาบรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปละเอียดนั้นเป็นไฉไหนอาโปธาตุรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปละเอียดอุปาทาทุเรจตุกะรูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปไกลนั้นเป็นไฉไหนอิถินสีราวลีคาราหานรูปที่เป็นอุปาทายรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปไกล รูปที่เป็นอุปาทยรูปเป็นรูปใกล้นั้นเป็นไฉหนจากขายตนะรษายตนะรูปที่เป็นอุปาทยรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปใกล้รูปที่ไม่เป็นอุปาทยรูปเป็นรูปไกลนั้นเป็นไฉไหนอาโปธาตุรูปที่ไม่เป็นอุปาทยรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปไกลรูปที่ไม่เป็นอุปาทยรูปเป็นรูปใกล้นั้นเป็นไฉหนโพธภายตนะ รูปที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปใกล้อุปาทิ น, สนทะสนิทัศนะจตุกระรูปเที่ยกรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปที่เห็นได้นั้นเป็นไฉไรรูปายตนะเที่ยกรรมปรุงแต่งขึ้นรูปเที่ยกรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือนี้ชื่อว่าเห็นได้รูปเที่ยกรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปที่เห็นไม่ได้นั้นเป็นไฉนะ จากายาตณนะกายายตณนะอิถินีปุริสินีและชีวิินีหรือรูปแม่อื่นมีอยู่ได้แก่คันทายญาตนะรษ า, ายาตนะโพธพายญตนะอากาศธาตุอาโปธาตุอุปัจยรูปสันตติรูปและโกลิงกราหานที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือนี้ชื่อว่าเห็นไม่ได้ รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปที่เห็นได้นั้นเป็นฉไหนรูปายตนะที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือนี้ชื่อว่าเห็นได้รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปที่เห็นไม่ได้นั้นเป็นไหนสัตยายตนะกายวิญญัตวจีวิญญัตระหุตารูปมุขตารูป กรรมัญตารูปชรตาตารู ป, รรปและอนิจจตารูปหรือรูปแม่อื่นมีอยู่ได้กแก่คันทายตนะรษ า, ายตนะโพธพายตนะอากาศาธาตุอโปธาตุอุปจยะรูปสันตติรูปและกลวิงกราหารเที่ยกรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปเที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฐิไม่ยึดถือนิชื่อว่าเห็นไม่ได้ อุปาทินะสัพติฆะเจตุกะรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปที่กระทบได้นั้นเป็นไฉนจักขายตนะกายายตนะหรือรูปแม่อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันทายตนะรส า, ายตนะและโพธพายตนะที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือนี้ชื่อว่ากระทบได้ รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปที่กระทบไม่ได้นั้นเป็นชนยัยอิทินซีปุริสินซีและชีวิตินซีหรือรูปแม่อื่นมีอยู่ได้แก่อากาศธาตุอาโปธาตุอุปชัชยรูปสันตติรูปและกาวิลิกราหานที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือนี้ชื่อว่ากระทบไม่ได้ รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปที่กระทบได้นั้นเป็นไฉนสถายตนะหรือรูปแม่อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันทายตนะรษ า, ายตนะและผลถ้ายตนะที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือนี้ชื่อว่ากระทบได้รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ เป็นรูปที่กระทบไม่ได้นั้นเป็นไนากายวิญยัตกวชีวิญญัตละหุตารูปมุทุตารูปกรรมัญญตารูปชรตารูปและอนิจจตารูปหรือรูปแม่อื่นมีอยู่ได้แก่อากาศธาตุอาโปธาตุอุปัชยารูปสันตติรูปและโกวลิงกราหานที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฐิไม่ยึดถือนี้ ชื่อว่าประทบไม่ได้อุปาทินะมหาภูตะจตุกะรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นมหาภูตารูปนั้นเป็นไนะโพธพาญตณะและอาโปธาที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือนี้ชื่อว่าเป็นมหาภูตารูปรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ ไม่เป็นมหาภูตรูปนั้นเป็นชนัยจักขายตนะกายายตนะอิถินสีปุริสินสีและชีวิตินสีหรือรูปแม่อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันทายตนะรัศยายตนะอากาศธาตุอุปชยรูปสันติรูปและโกเลียงกราหานที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือนี้ชื่อว่า ไม่เป็นมหาภูตรูปรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นมหาภูตรูปนั้นเป็นฉไนโพธพา ย, พยตะนะและอาโปทาที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือนี้ชื่อว่าเป็นมหาภูตรูปรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือไม่เป็นมหาภูตรูปนั้นเป็นฉไนสัทธายตนะกายวิญยต วจีวิญญัตละหุตารูปมุทุตารูปรัมมัญญตารูปชรตารูปและอนิจจตารูปหรือรูปแม่อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันทายตนะรอยสายตนะอากาศธาตุอุปจิยะรูปสันติรูปและโกลิงกราหารที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือนี้ ชื่อว่าไม่เป็นมหาภูตะรูปอุปาทินนาโอลาริกจตุกะรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฐิยึดถือเป็นรูปหยาบนั้นเป็นไฉไหนจาคายตนะกายายตนะ หรือรูปแม่อื่นมีอยู่ได้แก่รูปรายตนะคันทายตนะรัายตนะและผดทพายตนะที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือนี้ชื่อว่าเป็นรูปหยาบรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปละเอียดนั้นเป็นไนอิทธินีปุริสินีและชีวิตินีหรือรูปแม่อื่นมีอยู่ได้แก่อากาศธาต ฮาโปธาตุอุปจิปยารูปสันตติรูปและโวลินคราหานที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฐิยึดถือนี้ชื่อว่าเป็นรูปละเอียดรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฐิไม่ยึดถือเป็นรูปหยาบนั้นเป็นชนยัยสถายตนะหรือรูปแม่อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันทายตนะรัศายตนะและโพธพายตนะ อันกรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรคำอันประกอบด้วยตัณหาและทิฐิไม่ยึดถือนี้ชื่อว่าเป็นรูปหยาบรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฐิไม่ยึด ถ, ถือเป็นรูปละเอียดนั้นเป็นไนากายวิญยัตวจีวิญยัตละหุตารูปมุทุตารูปกรรมยตารูปชรตารูปและอนิจจตารูปหรือรูปแม่อื่นมีอยู่ได้แก่อากาศธาตุอโปธาตุ ปัจยะรูปสันตติรูปและโกวลิกราหานที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฐิไม่ยึดถือนี้ชื่อว่าเป็นรูปละเอียดอุปาทินนะทูเรจตุกะรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฐิยึดถือเป็นรูปไกลนั้นเป็นไนอิทินสีปุริสินสีและชีวิตินสีหรือรูปแม่อื่นมีอยู่ได้แก่อากาศธาตุ อาโปทาต์อบจเยรูปสันตติรูปและกวัวเลงกราหานที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือนี้ชื่อว่าเป็นรูปไกล้รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปใกล้นั้นเป็นไนาจากกายยตนะกายายตนะายายตนะหรือรูปแม่อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันทายตนะรส า, ายตนะ และโพธพายตนะที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือนี้ชื่อว่าเป็นรูปใกล้รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปไกลนั้นเป็นไนะกายวิญญัติวจีวิญญัตและหุตารูปมุทุตารูปกรร ม, มัญญตารูปชระตารูปและอนิจจารูปหรือรูปแม้อื่นียิยูได้แก่อากาศธาตุาปโปธาตุ อุปจยะรูปสันตติรูปและโกลินกราหานที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือนี้ชื่อว่าเป็นรูปไกลรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปใกล้นั้นเป็นไนสัธายตนะหรือรูปแม่อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะพันธายตนะรสายตนะ และโภถพาญตนะที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือนี้ชื่อว่าเป็นรูปใกล้อุปาทินุปาทานิยะสนิทัสนะจตุกะรูปทิฏกรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นรูปที่เห็นได้นั้นเป็นไฉนรูปญาตนะที่กรรมปรุงแต่งขึ้น รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานนี้ชื่อว่าเห็นได้รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นรูปที่เห็นไม่ได้นั้นเป็นฉไนจะขายะตนะกายะตนะอิทินสีปุริสินสีและชีวิตินสีหรือรูปแม่อื่นมีอยู่ได้แก่พันธายะตนะรษายะตนะ โภธพายตนาะอากาศธาตุอโภธาตุอุปติยารูปสันตติรูปและโกลิญกราหานที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานนี้ชื่อว่าเห็นไม่ได้รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นรูปที่เห็นได้นั้นเป็นไน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 และอนิจจารูปหรือรูปแม่อื่นมีอยู่ได้แก่คันธายตนะรัศยายตนะโพธายตนะอากาศาธาตุอาโปธาตุอุปจิยะรูปสันตติรูปและกกริยกราหานทท่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปทท่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปทานนี้ชื่อว่าเห็นไม่ได้ อุปาทิ น, นุปาทานิยสัพปตปิคะจตุกะรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นรูปที่กระทบได้นั้นเป็นไฉนจากขายตนะกายายตนะหรือรูปแม่อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายาตนะคันทายาตนะรัษายาตนะและโพัพายตนะที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฐิยึดถือ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 รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานนี้ชื่อว่ากระทบได้รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นรูปที่กระทบไม่ได้นั้นเป็นไนกายวิญญัตวจีวิญญัตละหุตารูปมุทุตารูปกรรมัญญตารูปจราตารูปและอนิจจารูปหรือรูปแม่อื่นมีอยู่ได้แก่ อาปราสธาทธอาโปธาต์อุปจัยรูปสัน ต, ติรูปและโกริยกากราหานที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัญหาและทิฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานนี้ชื่อว่ากระทบไม่ได้อุปาทินุปาทานิยมหาภูตจตุกะรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัญหาทิฐิยึดถือ และเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นมหาภูตรูปนั้นเป็นไฉนยโยพัพายาณนะและอาโปธาที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานนี้ชื่อว่าเป็นมหาภูตรูปรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานไม่เป็นมหาภูตรูปนั้นเป็นไฉนิกขาญตนะ กายายตนะอิทธินีปุริสินีและชีวิตินีหรือรูปแม่อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันทายตนะรส า, ายาตนะอากาศธาตุอุปัจยารูปสันตติรูปและเกวเรียงกราหานที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานนี้ชื่อว่าไม่เป็นมหาภูตารูป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 ไม่เป็นมหาภูตรูปนั้นเป็นไนศัธายตนะกายวิญญาติวจีวิญญัติและหูตารูปมุทุตารูปกามัญตารูปเชรตารูปและอณิจตตารูปหรือรูปแม่อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันธายตนะรษ า, ายตนะอากาศธาตุปูปัจยะรูปสันตติรูปและกวลวินิกราหานที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้น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 คันธายตนะราานะัะธธายตนะและโพธพายตนะที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานนี้ชื่อว่าเป็นรูปยารูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นรูปละเอียดนั้นเป็นไนอีกทินสีปุริสินสีและชีวิตินสีหรือรูปแม่อื่นมีอยู่ได้แก่อา ก, กาสทาต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 คันธายตนะรัายาตนะและโพธพายตนะที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานนี้ชื่อว่าเป็นรูปหยาบรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นรูปละเอียดนั้นเป็นไฉไกายยวิน ญ, ญัตวจีวิญญัตและหูตารูปมูทุตารูป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 รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นรูปไกลนั้นเป็นฉไนอิทินสีปุริสินสีและชีวิตินสีหรือรูปแม่อื่นมีอยู่ได้แก่อากาศาาปปธาตุอโปลธาตุอุปัชยะรูปสันติรูปและกะวลิีการาหานที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือ และเป็นอารมณ์ของอุปาทานนี้ชื่อว่าเป็นรูปไกล้รูปที่กรราอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นรูปใกล้นั้นเป็นไฉไรจากขายตนะกายายตนะหรือรูปแม่อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันทายตนะร้อยสายตนะและโพธพายตนะที่กรรมปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรราอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือ และเป็นอารมณ์ของอุปาทานนี้ชื่อว่าเป็นรูปใกล้รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นรูปไกลนั้นเป็นไนากายวิญญัตวจีวิญยัตระหุตารูปมุทุตารูปกรรมัญญตารูปชรตารูปและอนิจจารูปหรือรูปแม่อื่นมีอยู่ได้แก่อากาศาธาตุอโขธาตุอุปัจยะรูป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 รยสายตะและโพธพายตะที่กลมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานนี้ชื่อว่าเป็นรูปใกล้สัพฏิฆาติริยะจตุ ก, กะรูปที่กระทบได้เป็นอินทริยะรูปนั้นเป็นไฉนาจากขุนศีกลายยินศีรูปที่กระทบได้นี้ชื่อว่าเป็นอินทริยะรูป รูปที่กระทบได้ไม่เป็นอินทริยารูปนะป ano, ั้นเป็นไงรูปายตนะโพธพายตนะรูปที่กระทบได้นี้ชื่อว่าไม่เป็นอินทริยารูปรูปที่กระทบไม่ได้เป็นอินทริยารูปนั้นเป็นไนอิถินซีปุริสินซีและชีวิตินซีรูปที่กระทบไม่ได้นี้ชื่อว่าเป็นอินทริยารูปรูปที่กระทบไม่ได้ไม่เป็นอินทริยารูปนั้นเป็นไน กายวิญยัติวจีวิญญัตรกรวิงกราหานรูปที่กระทบไม่ได้นี้ชื่อว่าไม่เป็นอินทรีย์รูปสปัปพะทิฆามหาภูตะจตุกะรูปที่กระทบได้เป็นมหาภูตรูปนั้นเป็นไนโพธพ า, ายาตนะรูปที่กระทบได้นี้ชื่อว่าเป็นมหาภูตรูปรูปที่กระทบได้ไม่เป็นมหาภูตรูปนั้นเป็นไนจากขายต า, ายตนะราสายญตนะ รูปที่กระทบได้น拜拜ี้ชื่อว่าไม่เป็นมหาภูตรูปรูปที่กระทบไม่ได้เป็นมหาภูตรูปนั้นเป็นไนอาโปธาตุรูปที่กระทบไม่ได้นี้ชื่อว่าเป็นมหาภูตรูปรูปที่กระทบไม่ได้ไม่เป็นมหาภูตรูปนั้นเป็นไนอิถินสีโรลิงกะราหานรูปที่กระทบไม่ได้นี้ชื่อว่าไม่เป็นมหาภูตรูปอินทริยโอลาเรกกะจตุกะ รูปที่เป็นอินทริยารูปเป็นรูปหยาบนั้นเป็นไฉไรจากขุนศีกายินศีรูปที่เป็นอินทริยารูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปหยาบรูปที่เป็นอินทริยรูปเป็นรูปละเอียดนั้นเป็นไฉไรอิทินศีปุริศินศีและชีวิตินศีรูปที่เป็นอินทริยารูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปละเอียดรูปที่ไม่เป็นอินทริยารูปเป็นรูปหยาบนั้นเป็นไฉไรรูปายตนะ โพธพายตนะรูปท <IM> ี <necessary> ่ไม่เป็นอินทริยรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปยากรูปที่ไม่เป็นอินทริย์รูปเป็นรูปละเอียดนั้นเป็นไนกายวิญยัตไวจีวิญญัตเกวริงกราหานรูปที่ไม่เป็นอินทริยรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปละเอียดอินทริยทูเรจตุกะรูปที่เป็นอินทริยรูปเป็นรูปไกลนั้นเป็นไน อิทินสีปุริสินสีและช ik hm ีวิตินสีรูปที่เป็นอินทรียรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปไกลรูปที่เป็นอินทรียรูปเป็นรูปใกล้นั้นเป็นไนจากขุนสีกายินสีรูปที่เป็นอินทรียรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปใกล้รูปที่ไม่เป็นอินทรียรูปเป็นรูปไกลนั้นเป็นไนกายวิญยัตวจีวินยัตเกวรินกราหาน รูปที่ไม่เป็นอินทริยรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปไกลรูปที่ไม่เป็นอินทริยรูปเป็นรูปใกล้นั้นเป็นไนรูปายตนะโพธพายัตนะรูปที่ไม่เป็นอินทริยรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปใกล้มหาภูตาโอฬาริกะจตุกะรูปที่เป็นมหาภูตารูปเป็นรูปหยาบนั้นเป็นไนโพธพายัตนะรูปที่เป็นมหาภูตารูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปหยาบ รูปที mind, ่เป็นมหาภูตร well ูปเป็นรูปละเอียดนั้นเป็นไฉนอาโปธารูปที่เป็นมหาภูตรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปละเอียดรูปที่ไม่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปหยาบนั้นเป็นไฉไจากขายาตนะรสายาตนะรูปที่ไม่เป็นมหาภูตรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปหยาบรูปที่ไม่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปละเอียดนั้นเป็นไฉนอิถินสีกาวลีงกราหาน รูปที่มีเป็นมหาภูตรูปนี้ ช, ชื่อว่าเป็นรูปละเอียดมหาภูตะทูเรจตุกะรูปที่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปไกลนั้นเป็นไฉไหนอโปธารูปที่เป็นมหาภูตรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปไกลรูปที่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปใกล้นั้นเป็นไฉไหนโพธพายตนะรูปที่เป็นมหาภูตรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปใกล้ รูปที่ไม่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปไกลนั้นเป็นไนอีกทินสีโวลิงกราหานรูปที่ไม่เป็นมหาภูตรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปไกลรูปที่ไม่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปใกล้นั้นเป็นไนจากขายาตนะรัษายาตนะรูปที่ไม่เป็นมหาภูตรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปใกล้ทิฏฐาที่จตุกะรูปที่เห็นได้คือรูปายาตนะ รูปที่สดับได้คือสัททายตนะรูปที่ทราบได้คือคันธายตนะรสาญตนะและโผฏฐายตน ะ, ะภภตนะรูปที่รู้แจ้งได้ด้วยใจคือรูปทั้งหมดรวมรูปหมดละสี่อย่างนี้จะตุกะนิเทศจบ